ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังเทลาไแต่รมพระโพธิญาณใ น, นวันนี้คงประรบเรื่องศีลบารมีต่อไปนะเป็นนิย่าที่ท่านจาแนกแสดงออกไปลึกซึ้งโดยลำดับแต่ถ้าเรามองการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์จริงๆมันจะอยู่ระหว่างศีหห้ากับศีลแปดเนี่ย ศีลที่ประณีตขึ้นไปเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีภิกษุณีไม่ต้องพูดนะว่าภิกษุเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอบวชเพราะโอกาสที่จะพบพุทธศาสนาและออกบวชเนี่ยมันก็หาได้ยากประการหนึ่งแล้วท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะเป็นรารหารันปรารถนาที่จะเป็นพระมหาส ม, าสมุทธเจ้าแต่ในแง่ของการศึกษาก็อยากจะ นำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปศึกษาที่กว้างขวางออกไปจะศีลประการต่อไปก็เรียกภิกษุศีลภิกษุณีศีลเป็นการจำแนกตามจำนวนจานวนของศีลคือศีลของพระภิกษุเนี่ยนับตัวเลขแล้วก็เดีกวสองรอย่าิบเจ็ดแต่ถ้านับที่นอกปฏิโมกด้วยเนี่ยก็มีประมาณสัก2องพันแปดร้ยกว่าข้ อ, ขอนะ มีเจ้ะคุณสมเด็จพระวันรัตจับตีตะธรรมโมวัดโสมนัสวีหารท่านเก่งในเรื่องเหล่านี้ท่านก็ไปจดไปนับเอาคือถ้านับอย่างนั้นก็นับได้นะแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วนี่ศีลทั้งหมดไม่ว่าคือผู้นักบวชทั้งหมดผู้งาผู้นักบวชทั้งหมดเนี่ยก็่ศีลมันจะมีหลักอยู่แค่สีข้อ คือก็คือบทบัญญัติที่ปรากฏในพระปฏิโมกต์ตามสมควรแก่ฐานะ 2. ก็คือการสำรวมระวังอินทรีย์ไม่เกิดใจยินดีหรือว่ายินร้ายเวลากระทบกับอารมณ์มาจากข้างนอกการที่3ก็คือการครองชีวิตการเลี้ยงชีวิตการสแสวงหาการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยประจิตนั้นจะต้องไม่มีปัญหาหรือได้มาในทางบริสุทธิ์ แล้วก็พิจารณาสึก่อนจึงบริโภคปจัจเจ sĩ ไม่ปล่อยให้ตัณหาเข้าครอบงำพอไม่พอชอบใจไม่ชอบใจก็โกรธพอชอบใจก็อยากกินมากอย่างนี้มันตามใจตัวเองมากเกินไปนั้นศิลตรงนี้เราเห็นว่าจะควบคุมเข้าไปถึงจิตและอย่างอื่นไม่ต้องไปนับหรบนันจะอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ในภาคของการปฏิบัติที่เราเรียกวิบัต ถึงมันไปครุมหมดเลยชาวพุทธทั้งที่จริงไม่ใช่ชาวพุทธแต่ชาวโลกทั้งหลายนะ่ก็เรียกว่าศีลวิบัติวิบัติด้รับศีลมันล่วงล้ำไปถึงกฎหมายของบ้านเมืองเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าเนี่ยมันผิดหมดนะผิดหมดเลยผิดสังคมผิดกฎหมายผิดประเพณีผิดศีลธรรมหลักทั้งปวงในโลกมันผิดหมด แต่ว่าใครจะเรียกยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราสังเกตว่าการละเมิดศิทธห้าเมื่อกระจายตัวเองออกไปมันก็กลายเป็นกฎหมายอาญาเกือบสี่รอยมาตราในกฎหมายอาญาของเราหรือแม้แต่ของต่างชาติมันก็คือกนันนะนะก็คือการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวในการสื่อสารแล้วก็ตกเป็นท่าสของสิ่งเสพ จ, จิตสมมติว่าผิดจําหน่ายเนี่ยมันก็ผิดสิ่ข้อที่สอง เสพซูปนั้นผิดศีลข้อที่ห้าบางคนอยู่ตรงเนี้ยไปไหนไม่รอดหรอกแล้วแต่ผิดแล้วมันก็เกิดเมาอย่าบ้าขึ้นมาอารวาแสไปฆ่าคนมันก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ในแวดวงของอาถยากรรมวันศีลเหล่านี้จึงเป็นศีลของโลกแล้วมันก็แตกถึงการสาขาออกไปเป็นกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่คือกฎหมายอาญาแต่อยู่ในจารีตประเพณีวัฒนธรรมแบบแผนต่างๆเนี่ยถ้าเรามองกลับมาแล้วมันจะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพยนะ์เกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับสื่อสารและเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองจะน่าให้มากหรือว่ามองโดยสรุปก็ได้เศีรษฐกิจสุณีนั้นมีอยู่สามร้อยสิบเอ็ดข้อ ตอนผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีอาจจะมองว่าพระเจ้ากิจการทางเพศมันยัดศีลภิกษุณีไ้เยอะมันยัดศีลภิกษุน้อยกว่าอัตมาเป็นอาจารย์บรรยายพระวินยัยปิฎกในมหาวิทยาลัยอยู่หลายปีนะฮะแล้วก็สรุปย่อพระวินยัยปิฎกทั้งแปดเล่มนะฮะมาอยู่ที่สองเล่ม คือบางทีเราอ่านแล้วก็ก็ขำๆเนึกว่าเออพีซุนีนี่ก็น้าดูนะเรื่องหยุมหยิมอะ่ะเรื่องแบบผู้หญิงแล้วก็เรื่องกินนี่จะเยอะเลยหมดเลยอัญญติที่เกียก็เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องไปเนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องไปเรื่องมาเรื่อง อ, อียาบททั้งสี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของท่านและเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน สีนั้นเลยกระจายออกไปเยอะแล้วก็ทำให้คนบางคนบางกอนเนี่ยไปประชุมในทางวิชาการีอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งท่านไปพูดกระทบนะกระทบในที่ประชุมว่าก็ชอบพูดกันดีนักกว่าผู้หญิงเป็นอันตรายต่บพระเมจันคือแสดงว่าท่านเข้าใจผิดนะการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตามกลุ่มผู้ฟัง ผู้ชายเข้ามาถามว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพระมัจจั์ผู้เจ้าก็ตอบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอันตรายต่อพระมัจจันแต่ถ้าถามว่าภิกษุณีไปกราบทูลถามว่าใครเป็นอันตรายต่อพระมัจจันผู้เจ้าก็ต้องตอบว่าผู้ชายเป็นอันตรายต่อพระมัจจันคือพระมัจจันของผู้ถามอ่ะแล้วแต่ผู้ถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไว้มันต้องเข้าใจธรรมะโดยปริยายว่าเมื่อพูดอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมองด้านตรงกันข้ามด้วย เมื่อพูดกุศลก็ต้องมอ ง, มองถึงอกุศลด้วยทีนี้สมมุติบางทีเราจะพูดคำเลยเช่นว่าทำและอาจรมให้ผลไม่เสมอการทำย่อมนำไปสู่สุคติอธรรมย่อมนำไปสู่ทุคติมันเป็นการพูดถึงธรรมะไม่ได้พูดถึงคนเพร ใ, ใครก็ตามนะที่ปฏิบัติตามธรรมก็จะนำไปสู่สุคติไปประพฤติตามอารรมก็นำไปสู่ทุคติ มันไม่ได้เกี่ยวกับคนแต่มันเกี่ยวกับพงธรรมก็คล้ายๆกับไฟนะ่ะใครจับก็ร้อนธรรมะกุศลอกุศลมันก็มีลักษณะก็อย่างกันเพราะั้มะถ้าจับประเด็นไม่ได้แล้วก็ไปใช้อกติส่วนตัวตัสินด้วยอัตวิสัยเนี่ก็อาจจะเกิดความสับสนแต่ถ้าหากว่าเราจับประเด็นให้ได้ว่าธรรมะเนี่ยมันเมือม่อเมื่อที่จริงไม่ไม่จะธรรมะอะไรก็ได้นะ อะไรก็ได้เราต้องมองให้เห็นทั้งสี่สีแง่มุมด้วยกันอาจจะเรียกบ่มิติือเรียกอะไรก็ตา้นะเช่นสมมติว่าเราพูดถึงถึงความละอายต่อบาปนึกอีกด้านหนึ่งคือความไม่ละอายต่อบาปอีกด้านหนึ่งนั้นบางครั้งก็ละอายบางครั้งก็ไม่ละอาย อีกด้านหนึ่งนั้นอาจจะละอายในที่ต่อหน้าคนแต่ไม่อาให้รับหลังโคนเล ย, เลยคือต้องมองว่าในภาคละเอียดเนี่ยมันจะมีอะไรซอดสอดแทรกอีกเยอะเลยไม่ใช่มีเท่านั้นหรอกเป็นการพยายามศึกษาทําความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของเรื่องเหล่านั้นทีนี้ศีลประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอนุอนุปัมบัติศนะีลคือศีลนะ ข, ของพวกอะไรล่ะพวกสามเณรพวกสามเณรีพวกนางสิกข า, านา ที่จริงคําว่าอนุปสัสมบัติเนี่ยมันครุมหมดแต่พอดีในที่นี้ท่านแยกกระดูอกออกไปไมาแยกแยกออกไปก็แสดงว่าเกาคุมเฉพาะสามกลุ่มศีลพวกนี้ปิศาสมเนศสำเนรีเนี่ยเป็นเด็กนะสิกขามานาเนี่ยที่จริงท่านอายุท่านมากแล้วนะฮะอายุท่านสิบแปดคือสำเนรีนั่นแหละเมื่ออายุครบสิบแปดแล้วเนี่ยมันมีรักษาศีลเข้มงวดจากข้อหนึ่งถึงข้อหกหือเพิ่มวิการละปัจนาเข้าไป ขาดไม่ได้ถ้ากาต้องนับหนึ่งกันใหม่เพะะนินเสิงของท่านจึงต้องรักษาในลักษณะที่เป็นนี้จริงๆขึ้นไปแต่ว่าของสามเณรเนี่ย ก, ก, กับสามเณรีซึ่งเป็นเด็กนะฮะคือเรียกว่าเจ็ดขวบขึ้นไปส่วนมากก็จะขนาดเจ็ดขวบขึ้นรอยุ่งยากเหมือนกันนะตัว เ, เล็กๆมากเนี่ยไปบวชเนรบวชสามเณรีเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกัน ก็เปิดโอกาสว่าศีลศีลเหล่านี้มันจะย่อยออกไปก็เปิดเสร็จแล้วก็ประมาณ 100, ร้อยกว่าข้อร้อยห้าข้อนะแต่ว่าศีลหลักมันจะมีอยู่แค่แค่สิบในสิบนั้นในห้าข้อแรกแล้วก็ไปเพิ่มก็อีห้าข้อนอกจากตรงนี้เป็นติเตียนพระพุทธเจา้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ปัสสุราดำพิกษุนีอะไรแต่ไหนเนี่ยก็ขาดจากสามนเณร แต่ว่าต่อศีลใหม่ได้กลับคืนสู่ความเป็นสามเณรได้เหมือนเดิมพิกษุณีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่บางอย่างเนี่ยทำผิดแล้วก็ เ, เรียกว่าลงธนกกรรมคือลงโทษเช่นไห้กวาดขายะให้ถูพื้นให้ทำงานเพื่อจะสนึกสำเนียกแล้วก็สมาทานศีลใหม่ก็บริสุทธิ์กันนั้นก็เป็นวิธีวิธีการคือเกาะกลุ่มร่ำคุมคนเนี่ย ทีนี้คือรหัสศีลคือศีลของผู้ครองเรือนมันจะเน้นไปแค่สองสองกลุ่มดังกล่าวนะฮะคือศีลห้ากับศีลศีลแปดหรือศีลโอบสดุดทีนี้การเป็นโบุบสุดกับศีลแปดเนี่ยบางทีมันมีศีลข้อหนึ่งแทรกขึ้นมาก็เรียกอชีวะมัตตกะศีลแต่ไม่เคยพูดกัน น, นะเพราะอะไรเพราะมันรักษาค้อข้างยากแม้จะกินข้าวเย็นได้ก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกที่จเจริญกรรมฐาน เข้าใข่อโรมของปัญฐานเขาจะรักษาสีนิชวะมัตตกะศีคือสีสที่มีนิชวะเป็นที่แปดก็ไม่มีอะไรแนละ้วฮะเขาก็มีสัมมาวจารสี่สัมมากันตะสามแล้วก็สัมมาชีวะหนึ่งรวมแล้วก็เป็นแปดเขาเรียกสีในอริยมรรคแต่ว่าจริงๆก็อยู่ในอริยมรรคเหมกันนั่นแหละสีประเภทที่เรียกว่าของครหัหเนี่ยคือสีนหน้าประการนั้นเราจะเห็นว่าเป็นสีนหลัก เป็นเรื่องของสิทธิเป็นเรื่องของสวัสดิภาพเป็นเรื่องของเสรีภาพซึ่งเป็นฐานสำคัญของระบบประชาธิปไตยที่เราเรียกร้องกันนะะมันจะอยู่ในกรอบตรงนี้เพราะะเมื่อเราพูดถึงสิทธิก็สิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในครอบครัวสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารพูดถึงเสรีภาพหรือสวัสดิภาพก็มีสวัสดิภาพในชีวิตนะ ไอ้ทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ยก็หมุนกันไปหมุนกันมาอยู่ที่นี้ทีนี้ในกรณีของการรักษาศีลข้อที่ห้าเนี่ยข้อที่ห้าที่จริงมันเป็นศีลที่เพิ่มเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าเป็นกรรมกิเลสคือการกระทําด้วยจิตที่คุณหมวดเศร้าหมองมันมีแค่สีข้อแต่นั้นเหละสุรานั้นเป็นเรื่องเพิ่มในตีหลังเพราะงั้น ท่านที่ศึกษาสนใจในศาสนาจะเห็นว่าศีลข้อสุราไม่ได้อยู่ในกุศลกรรมบุไม่ได้อยู่ในกุศลกรรมบุสิบแต่ไปอยู่ในอบายามุกพอเป็นธรรมะเนี่ยเขาจะไปอยู่ในบายมุกเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่ในกลุ่มของศีลเพราะจริงๆมันมันคนที่ดื่มสุราคือเสพสิ่งเดสพติดทั้งหลายลองสังเกตนะว่าประทุษร้ายต่อชีวิตตนเองประทุษร้ายต่อทรัพย์สินตัวเองประทุษร้ายต่อผู้ปกครองตัวเองแล้วก็ ทำสถานภาพของตัวเองให้ตกต่ำพอตกเป็นธาตุของสิ่งเสพจิตเช่นเราเมาสุราเนี่ยก็เพื่อเจอกับโกหกนี่คำหยาบนี่เต็มยศหมดเลยคือว่าจีตทุจริตมันเกิดขึ้นขึ้นขึ้ น, นรวดเดียวเลยเรำมาคนที่เหมาะมากๆเนี่ยตอนมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันแฝงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสีเนี่ยมันเป็นระดับที่เรียกว่ามันเหมือนกับฝึกขับรถ น, นนะน่ะ คือมันมีกฎเกณฑ์มีเขร่งเครียดกันนิดหน่อยแต่พอขับได้ดีแล้วมันก็ไม่ไ ม, มีปัญหาอะไรก็ไปได้เลยทีนี้พมาศีลแปดหรือศีนโบสดศีนโบสดเนี่ ย, ยคือรักษาเฉพาะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ถ้าเราถามว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจริงไหมก็ตอบไม่จริงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าในภาคเช้าของวันในรักษาศีนจำนวันพระเนี่ยหกชั่วโมงนั้นน่ยมันก็กินอะไรก็ได้ ก็สรุปว่ายังเหลือภาคเย็นอีกหกชั่วโมงภาคกลางคืนไม่ถึงสิบสองชั่วโมงดีก็แสดงอะไรประมาณก็สิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งแต่เนี่ยนะก็ตัวหนักจริงๆก็คือเรื่องกินเนะี่ยก็เคยคุยกับญาติโยมที่รักษาศีลบรสหรือตั้มเป็นห่วงในเรื่องกินมันก็แปลกเหมือนกันคือเป็นห่วงมากเรื่องกิน ที่จริงเนี่ยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกน้ําดื่มพวกเครื่องดื่มต่างๆเป็นนันมากนะที่ไปขจัดปัญหาเรื่องความยู่โเหยลงไปได้แต่ปัญหาที่ยุ่งเนี่ยคือคนไม่ค่อยจะเข้าใจอันนี้คือยุ่งมากๆเคยไปในที่บางแห่งคือตามปกติแล้วเรื่องศีลห้ากับศีลแปดนี่พระเองก็เกรงใจโยมนะไม่่อยกล้าพูดโยมเองก็ จะเป็นยังไงล่ะคือถือตามๆกันมาโดยไม่ได้ศึกษาสอบถามค้นคว้าว่าการรักษาอย่างไงเรียกว่าเป็นปนาณาติบาตแล้วเป็นปานาติบาตเนี่ยเพราะทำอย่างไงบ้างคือไม่ได้ศึกษากันในลักษณะอย่างนั้นเพราะนก็ทาให้รักษาเกนแกนไป เคยไปพบในที่หนึ่งแล้วก็เกิดความคิดนะฮะในการต่อมา ก, ก็พยายามที่จะหาโอกาสคุยกับญาติโยมก็ตอนบวชใหม่ๆเนี่ยเจอหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อพระครู ป, ประสาท ธ, ธรรมวิพัฒเวลาท่านเทศเนี่ยท่านไล่ที่ศีลห้าจนะนัเป็นชั่วโมงเลยบางทีเนี่ยเรวก็เทศไปไม่ค่อยมาก เ, เพราะอะไรเพราะท่านก็เห็นนะฮะเป็นคนที่ผ่านโลกมานานก็เห็นว่าปัญหาใหญ่ ในบ้านในเมืองมันก็อยู่ที่การละเมิดสินห้านี่แหละอย่างสมเด็จพระสังราชเ จ, จ้ารสมเด็จสังราชวราราชบพิษนะฮะองก่อนเนี่ยไปที่ไหนท่านก็ให้สมาทานสินห้าแต่วท่านก็ไปยามอธิบายสีนห้านั่นคือเห็นชัดเจนว่าสังคมเร า, นรนานเนี่ยถ้าแก้ปัญหาเรื่องสินห้าได้เราก็เรียบร้อยสินแปดหรือสินบทสุดเนี่ยถ้าศินแปดหมายความว่าเราก็รับโดยไม่กําหนดวัน อาจจะสมวันสีวันห้าวันก็ได้แต่ว่าถ้าบวชสวดศีลแล้วก็กาหนดเวลาไว้ทีนี้บางทีศีลแปดเนี่ยเราเรียกรักษาเป็นนิตยศีลรักษาตลอดก็เป็นความดีของเราเองมันมุ่งไปลดพวกกรรมราคะแล้วก็ตัวกระตุ้นกรรมราคะแต่บางครั้งบางคราวเราก็รู่หลาเกินไปอัจารยเองไม่ค่อยแน่ใจนะว่าที่อธิบายกันนี่มันถูกหรือเปล่าเพราะ แต่ ม, มักจะมองกลับไปในสมัยพุทธกาลมาความตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติยังไงพระอาหารท่านทํำยังไงพระยาสาวกสาวิกาเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงคกอยั ง, ออยงนางวิสาขาเนี่ยท่านมีเครื่องประดับระดามาประสาทนะครับราคา27โขดแพงมหาศาลมากเลยท่านก็ประดับไปนะฮะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ประดับไป ก็แสดงว่าไอ้คำว่ามาลากันทัปิเลปนาธารณมาณะเนี่ยนะมันไม่ใช่ทำโสมนะมันแต่งตัวปกตินี่แหละแต่งตัวปกติธรรมดาไม่ไม่รู้ราผู้ว่าไม่ประกวดประขันไม่จะงานราตีสโมสรนนะ่ะก็แต่งตัวปกติธรรมดาแต่ไม่จะถึงกสมโสมไโสมนะมันแต่งตัวปกติธรรมเสื้อขา ว, ขาวทั้งชุดมันไม่จะถึงขนาดนั้นนะ่ะพระศาสนาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวลึกซึ้งขนาดนั้น ก็ถ้าไปรักษาศีลอย่างนั้นสมมุติว่าโยมเขาไม่มีอ่ะจะทำยังไงเขามีเฉพาะเครื่องอย่างเงี้ยทํำยังไงบางครก็ไปคุยกับประธานรัฐสภาเนะี่ยประธานมุติสภาเนะี่ท่านบอกว่ามีวัดหนึ่งเนี่ยเขาเกณฑ์น้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาลึกจะไปแล้วเลยไม่ได้ไปเพราะไม่มีเสื้อผ้าที่เขากําหนดเอาไว้มันก็กลายเป็นการสร้างภาระให้แก่คนคือศาสนานี่เรา ปล่อยเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราจะเอาธรรมะเข้าไปแ ต, ต่เด็กตอนเราเห็นว่าการบริโภคอาหารในเวลาวิกาเนี่ยมันเนื่องจากสีข้อที่สามเนี่ยมันเป็นอรรัพรัมคือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่ว่าจะจับต้องเนื้อต้องตัวกันได้นะฮะในฐานะาพี่น้องลูกหลานจะมีพัญญาใดก็ได้มันเป็นศีชาวบ้านแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ ว่านอการมีเพศสัมผัสไม่ได้มันก็ทําให้ลดไอ้เงื่อนไขที่จะกระตุ้นให้เกิดความกําหนัดในทางเพศคือลดการบริโภคอาหารเชียเพื่อตัดความกังวลด้วยนะฮะแล้วก็วเว้นจากการขับร้องประกคมดนซีดีสีตีเปล่าต่างๆหรือดูการเล่นทั้งหลายนี่คือหมายความว่าทาเองก็ต้องนะฮะดูการเล่นของบุคคลอื่นก็ต้องเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันกระตุ้นราคะ กระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะเราลองดูการแสดงทั้งหลายเนี่ยใจเราจะเลื่อนไหลไปตามการแสดงธรบทป่าที่เขาแสดงที่เรียวกว่าอินกระบทเหล่านั้นมากไปนะบางทีตูลิเกแล้วก็ไปถือนางเอกอไปเกลียดตัวโกงก็เอาตะบันมาปากันในบนโรงเลยอันนี้ก็แสดงว่าอินกระบทมากไดเกิดมันก็เพิ่มโทสะแล้วก็เพิ่มราคะเพิ่มโลภะ แล้วก็ติดดาราติดพระเอกติดนางเอกกระจายอย่างที่เราเราเห็นกันแล้วการวันก่อนเนี่ยเป็ฝั่งพระท่านพูดก็ขี้เกียจจะเตือนท่านนะเพราะว่ามาเนนะี่ยที่ไปชมแต่วันหลังก็คุยกนะับท่านนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ไม่มีนอนนะไม่ไม่มีนั่งนะฮะพระเจ้าพูดเฉพาะนอนอุจายสยนะแปลว่าที่นอนสูงหมาสยนาแปลว่าที่นอนใหญ่ไม่ได้มีที่นั่งคือนั่งก็คือนั่ง่งนะ ท, ทีนี้บางทีเนี่ยอาตมายัางมองว่าเราเราถือเป็นใจรีดมากไปหรือเปล่าเพราะดูในพระบาลีมันไม่มีอะแต่ว่าที่เราถือที่เรามาพูดกันเนี่ยพูดพูดกันไปเรื่อยนะะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงที่ไปที่มามันไม่มีเหตุผลโดยธรรมาชาติของมันสมมติเราไปในที่หนึ่งเนี่ยเขาโซฟาให้นั่งอไงทายังไงให้จะนั่งที่ไหนให้ไม่นั่งย่างไงแล้ ว, ว่าปั่วสนะสึงสึ ง, งมียับนุ่นหรือสมรีให้นั่งก็นั่งอ่ะ บินายเขาไม่ได้ห้ามไปแล้วก็ใช้ในฐานะที่เป็นของชาวบ้านบางทีเนี่ยคนโง่ขยันนะชาวบ้านก็ปูอาสนะเอาไว้ต้องสั่งให้รื้อเลยนะพระบางองค์เนี่ยหรืออวดเคร่งต้องเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้สร้างความลาบากให้ชาวบ้านมากไปมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะเพราะการปฏิบัติจริงๆมันมุ่งที่จะขัดเกลาไม่ใช่เฉพาะราคาไอ้ตัวนั้นเป็นโทศาสตร์แล้ว มันต้องขัดเรามันด้วยเพราะฉะั้นจึงมีจุดหนึ่งที่ยินดีทํำให้ถับ ไ, ได้แต่ว่านอนเนี่ยมันเป็นที่นอนของเราคือไม่ให้นอนอันนี้เป็นเป็นศีลที่มีอุปการะคือมันเสริมเสริมทําให้การรักษาโบสิติอุโบสถศีลของเราได้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับ คือญาติโยมบางคนเนี่ยเคร่งรักษาศีลบสสูชศีลแปดไปแล้วกลับไปบ้านลูกหลานเข้าใกล้ก็ไปได้นั่งตักก็ไม่ได้ถูกต้องตัวก็ไม่ได้ตวดัดีแป๊แบบแปบบบไอ้อย่างงี้ก็แย่เลยคือเด็กมันจะเกลียดวัดมันจะเกลียดศาสนามันจะเกลียดพระพอคล้ายๆก็แย่งความรักจากปู่ย่าตายายแก่ไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณตาคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็ดีๆอยู่นี่นะ แล้วทำไมปรักลับมาจากรักษาศีลอยังดุเดือดหรือหรือเกินฮะยิ้มก็มายิ้มพูดจาปราศัยก็ไม่พูดจามันไม่ใช่อย่างนั้นนะนะก็เรียกอาคาริยวินยัยวินัยแบบชาวบ้านเราครองเรือนอยังไงก็ครองไปเลยแต่อย่าหมีเพศสัมพันธ์กันแต่นั้นเองก็ห้ามเท่านั้นนะนะคือการจะป้องกายเพศตรงกันข้ามไม่ได้เนี่ยเขาห้ามตั้งแต่สิกขาบรรณาขึ้นไปมันมีคนห้าพวกแต่นั้นเอง คือนางสิกขามาภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณ ร, รีนางสิกขาบรณานะพวกเนี้ยจับกายเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกําหนัดนะมีข้อแม่นะหรือจิตกําหนัดนะไม่ได้แต่ตีต่างว่าจับในกรณีอื่นเช่นว่าพระเดินไปแล้วก็เจอเด็กผู้หญิงตกน้ําอย่างเนี้ยถามมาจับได้หรือเปล่าก็จับได้อนะฮะถ้าไม่จับแล้วก็แสดงว่าพระนั้นใจจืดมากๆเลยจับด้วยเมตตาจับด้วยสงสาร เพราะพระพุทธเจ้าเนี่บัญญัติพระวินัยว่ามีจิตกำหนักนะจิตมีความต้องการในทางเพศนะจึงจับไม่ได้นะแต่บางทีเราก็ถือเคร่งแบบเหรินสองบาทเกินไปแล้วก็ทําให้คล้ายๆกับพระทอดทิ้งสังคมไม่อึดอึ้เฟื้อไม่มีน้าใจต่อสังคมถ้าสถานการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องปฏิบัติธรรมะแล้วมันไม่ใช่ว่าไปเคร่งศียนอ้อยไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็วิ่งหนีเลยอย่างงี้ก็ไม่ได้ วินัยนี่จะชัดเจนมากเลยพวกนี้เขาเรียกว่าสจัจจตระก้คือจงใจมีจิตกําหนัดเท่านั้นเองจับต้องแล้วก็ต้องอฏิบัติถ้านอกจากนั้นไม่ต้องอบัตินะเช่นสมพติเเดินบนถนนเนี่ยคนเยอะๆเนี่ยว่หลบคนหนึ่งไปชนเราผู้หญิงคนหนึ่งจะทำยังไงก็ไม่ได้เจตนาอะไรไม่ได้เจตนาไม่มีจิตกาหนัดอะไรก็อย่างดีเราก็ขอโทษเขาเราก็ไม่ได้เจตนาจะจะไปชนใครเพราะงั้นศีลเนี่ยมั น, ม, นมันต้องอ่านในรายละเอียด แล้วก็หาถาธิบายชัดเจนเพื่อจะรักษาศีลแล้วสงบเย็นม่นจะรักษาศีลแล้วก็ฟุ้งซ่านเดือดร้อนถ้า่ฟังทั้งหลายต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี